นักปฏิบัติต้องเป็นผู้ฉลาดในเรื่องจิตใจของตัวเองฉลาดอย่างแรกก็คือว่าต้องรู้จักเท่าทันเท่าทันกิเลสตัณหาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันจะชักพาเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปในทางที่ก่อให้เกิดความทุกข์มากขึ้นหรือว่าทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์หนัก เช่นความโกรธความเปียดความซูนหรือว่าความเศร้าโศกความโลภพวกนี้มันฉลาดมันจะลอให้เราถลำเข้าไปในอารมณ์ของมันมากขึ้นเรื่อยๆบางทีก็หลอกให้เราไปด่าเขาหลอกให้เราไปทำร้ายคนหลอกให้เราไปเสพสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งไม่เป็นประโยชน์ทำให้เรา เอาเงินเอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่เป็นพ่อกับตัวเองอันนี้เราต้องฉลาดเท่าทันมันคือต้องฉลาดรู้เท่าทันอุบายของมารของกิเลสอย่างที่สองคือว่าต้องรู้จักแก้ทุกข์ของตัวเองได้โดยเฉพาะทุกข์ที่ใจและแก้แต่ละทีนี่มันต้องดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงเช่นเครียดหรือว่าเศร้าโศกเสียใจก็เข้าไปหาเล่าเข้าไปหาใบายามุก อย่างที่เขาโฆษณากันนะ่ะจนเครียดก็เลยกินเหล้านะอันนี้เลยว่าไม่ฉลาดในการแก้ปัญหาของตัวเองนะถ้าจนถ้าเครียดนะมันก็ต้องทำงานทางานนะต้องรู้จักรุดจักความเครียดเราเครียดเพราะเราไปคิดปรุงแต่งไม่เลิกต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างขยันก็ขยันไปแต่ว่าอย่าทำด้วยความเครียด นั่นจะทำด้วยความยึดความอยากอันนี้คือว่าต้องใช้อริยสัจเข้ามาอริยสัจก็คือมีทุกข์แล้วต้องหาสาวสมุทัยให้เจอสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์บางทีคนเรานี่ก็ไม่ต่างจากเวลาหมามันเจอคนเอาไม้มาแย่หมามจะทำยังไงหมามันจะกัดไม้แต่ว่า เพราะว่าเสือหรือสิงโตนี่มันไม่กัดไม้มันกัดคนที่ถือไม้แทนหมานี่มันสาวไปไม่ถึงเหตุแห่งทุกข์นะมันก็กัดแต่ไม้แต่เสือนี่มันสาวไปถึงเหตุแห่งทุกข์ก็คือคนอนะ่ะเอาแม่มาแยมันก็เลยกัดไม้มันไม่กัดมันก็เลยกัดคนไม่กัดไม้นะนี่บางทีคนเรานี่เหมือนกับหมานะคือว่ามันได้แต่ไปเล่นงานตัวปลายเหตุไอ้ตัวต้นเหตุนตี่ มองไปไม่ถึงไอ้ที่เครียดตนแล้วเครียดแล้วกินเหล้าเนี่ยเนี่ยคือไปแก้ที่ปลายเหตุนะหรืออย่างเสียงดังลาคาญบางทีไปนึกว่าต้นเหตุนี่คือคนที่ส่งเสียงดังบางทีลืมไปว่าอใจเราก็มีส่วนใจเราก็เป็นเหตุเหมือนกันเสียงบางทีไม่ดังหรอกแต่ใจเราไปจดจ่อก็ไปแก้ไปคิดไปแก้ว่าต้องให พูดให้เสียงเบาหรือว่าเลิกส่งเสียงดังนะแต่ใจเราต่างหากนะที่มันหาเรื่องใจเรามันหาเรื่องคือไปยึดไปจดไปจ อ, อยตรงเสียงนั่นแหละถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ลำคาญใจแต่พอไปฟังเขาก็ลาคาญใจก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ยอมหลี่เสียงดังเราก็ต้องรู้จักแก้ทุกข์ของเราด้วยตัวเราเองที่จิต ท, ที่ใจของเรา จะไปให้โลกมันเป็นไปตามใจเราทุกอย่างมันก็ไม่ได้ต้องสาวไปที่ใจด้วยใจเรามันก็เป็นตัวการเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวการหลักด้วยอันนี้คือนะการเป็นผู้ฉลาดในการแก้ทุกข์แล้วก็ยังต้องเป็นผู้ฉลาดในการใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้แม้เพราะว่าทำให้มีเงินมีทองมากขึ้น แต่หมายถึงว่าทาให้มีทุกน้อยลงมีสติปัญญามีกุศลธรรมมากขึ้นอันนี้หลวงพ่อคำเกียนเรียกว่าเป็นผู้เฉวยโอกาสต้องรู้จักเฉยโอกาสอะไรที่เกิดขึ้นกับเราต้องเฉวยโอกาสให้เป็นประโยชน์แม้แต่ความโกรธแม้แต่ความเศร้านะมันก็มีประโยชน์เพียงแค่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจอันนี้สติเราก็ พัฒนาแล้วรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแม้แต่รู้ตัวอกุศลธรรมรู้ความโกรธความทุกข์ความเศร้าความโศกความเครียดรู้แต่ละทีปัญญาก็เติบโตขึ้นมาอีกหน่อยอีกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าไม่รู้มันมันก็ทุกเลยนะไม่รู้ความเครียดไม่รู้ความโกรธนะไม่รู้ความเศร้าว่ามันเกิดขึน้นนั้นเรียกว่าขาดทุน นะต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้คือทำให้สติเราเจริญงอกงามมากขึ้นแล้วก็บางทีเวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาลองพิจารณานะอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็ทำให้เราเห็นใจคนอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาโกรธเขาเศร้าโศกเสียใจ มันไม่ใช่เป็นกับเราคนเดียวคนหนึ่งก็เป็นด้วยเห็นใจเขาอย่างคนที่ภกักตายนี่มีเขาก็ไปถามแม่ของตำรวจที่สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ย8เมษาที่กรูเซ่แม่เขาก็บอกว่าเขาเสียใจที่ลูกเขาตายแต่เขาก็ไม่อยากมีการแก้แค้นกันเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนอื่น หรือแม่คนอื่นต้องมาสูญเสียลูกเราต้องมาเศร้าใจเหมือนอย่างเขามันควรจะเลิกฆ่ากันได้แล้วอันนี้เขาเสียใจแต่ว่าให้ความเสียใจของเขามันทำให้เขาได้รู้ซึ้งถึงแม่ของคนอื่นที่เสียลูกเหมือนกันหรือแม่ของคนอื่นที่จะเสียลูกต่อไปก็ทำให้เกิดความเห็นใจกันอันนี้ก็ทำให้เกิดความเมตตาแต่คนที่เสียใจบางคนเขาเอาแต่เสียใจก็เลย ไม่รู้จักมองให้เป็นมันก็เลยคิดแต่จะแก้แค้นเรียกร้องให้แก้แค้นอันนี้เรียกว่าไม่ใช้ประโยชน์จากความเศร้าโศกเสียใจให้เป็นความเศร้าโศกเสียใจถ้าใช้เป็นมันทำให้เห็นใจคนอื่นด้วยเกิดความเมตตากรุณาไม่คิดอยากจะทำบาป ท, ทากรรมกันต่อไปใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงงานการด้วยนะงานการที่เราทำมันเป็นประโยชน์มันเป็นการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกัน จะเป็นนึกว่าโอ๊ททำงานแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่ผู้โชว์โอกาสผู้โชว์โอกาสนี้ทาแล้วก็ตามปฏิบัติธรรมได้หมดแม้แต่เดินบินธบาตเดินกับกุฏินะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่แค่พาตัวถึงบ้านถึงกุฏิอย่างเดียวแต่ว่าพาใจเข้ากายนิพพานพาใจให้เข้าถึงสติเข้าถึงธรรมะด้วยสองอย่างไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าต้องทาทีายอย่างทีไอย่าง อะไรที่เกิดขึ้นกับเราอะไรที่เรากําลังทําอยู่อันนี้เป็นประโยชน์ในทางธรรมะเป็นประโยชน์ในทางเพิ่มพงกุศลธรรมทั้งสิน้นอันนี้แม้กระทั่งความเจ็บความป่วยก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์ประโยชน์ก็คือว่ามันทําให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่แล้วคนที่ปกติธรรมดาสุขภาพดีนี่มักจะเอาเวลาเอากําลังไปทําอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์แต่พอป่วยแล้วนี่ เที่ยวก็เที่ยวไม่ได้จะไปสนุกสนานนิหาก็ทําไม่ได้ก็เป็นโอกาสดีที่จะทําสิ่งดีมีประโยชน์ทําบุญทํากุศลให้แก่ตัวเองความแก่ก็เหมือนกันนะความแก่จะไปมองว่ามันทุกอย่างเดียวมันก็ดีเหมือนกันคือทําให้เราต้องระมัดระวังจะเดินจะเหินก็ต้องระมัดระวังนะจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องใช้สติมากขึ้นเป็นหนุนเป็นสาวนี่ไม่ต้องระวัง จะเดินก็ไม่ต้องระวังวิ่งก็ได้กินอะไรก็ไม่ต้องระวังก็เลยไม่มีสติไม่มีความละเอียดละออแต่คนแก่นี่สุขภาพม บ, บังคับร่างกายบังคับสังขารมันบังคับวยเลยต้องระมัดระวังการกินอย่างระมัดระวังนี่แหละช่วยทำให้สติช่วยทำให้ปัญญามันเกิดการเดินอย่างระมัดระวังเนี่ยก็ช่วยทำให้มีสติมากขึ้นเป็นของดีนะต้องรู้จักใช้ใเป็นประโยชน์ แล้วก็ถ้ามองให้เป็นก็อยรู้ว่าเออสังขารเขากำลังสอนเรานะลองย้อนไปสมัย 30- 40, 40ปีก่อนนี่เรายังยังหนุ่มยังสาวตอนนี้มันเป็นคนละเรื่องกันแล้วตาก็ฝ่าฟางหูก็ไม่เคยได้ยินอันนี้เขาสอนเรื่องอ น, นิจจังความแก่ที่มันติดตัวเราอยู่ทุกวีทุกวันนี้สอนทำมาให้กับเราตลอดเวลาเรื่องอ น, นิจจังความไม่เที่ยง สอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้ความแก่ให้เป็นประโยชน์เด อ, อหรือว่าแม้แต่ของหายของรักของห่วงถูกทําลายไปนะมันเสียไปมันหายไปก็อย่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือเข้ามาสอนเราเรื่องความพลัดพรา ก, กสูญเสียนี่วันนี้ยังดีแค่พลัดพรากจากของรักต่อไปจะต้องพลัดพรากจากคนรัก อันนี้เข้ามาต้องหัดใช้ความสูญเสียนั้นเป็นบททดสอบทดสอบให้มีธรรมะมากขึ้นทดสอบให้มีความฉลาดมากขึ้นในการปล่อยในการวางความทุกแต่ละครั้งนี้มันเป็นเพราะเราไปยึดไปอยากเป็นเพราะไปยึดไปอยากทั้งนั้นแหละบางทีก็ไปยึดในปัษะที่มากระทบบางทีก็ไปยึดในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นความร้อนความหนาว บางทีเขไปยึดในอารมณ์ที่มันเกิดเช่นเดินความโศกความเศร้าความแค้นความอาลัยพอไปยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ว่าภาษาเวทนาหรือว่าอารมณ์นี่มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละงั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาของหายเวลาของรักของห่วงมันเสียไปบ้านเสียรถเสียนอันนี้แสดงว่าสอบตกแล้วอา้าวพยายามใหม่ ฝึกใจนะให้รู้จับปล่อยรู้จักวางของมันผ่านไปแล้วจะแบกไปทําไมจะยึดไปทําไมให้ถือเป็นบททดสอบให้ถือเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องสอนใจอันนี้เรียกว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปตีอกชคหัวตัวเองว่าเคราะหไม่ดีโชคไม่ดีบางอย่างการสอนธรรมะมันก็ต้องมาในรูปของเหตุการณ์แรงๆอย่างบางคนเสียลูกบางคนเสียบ้าน ไฟไหม้ลูกตายลองมองสมัยว่าอย่าไปมอว่าเป็นครอบเป็นกรรมให้มองสมัยว่าธรรมชาติกำลังสอนทำมาให้กัเราคนบางคนเ้าสูญเสียไปเขาไม่ทุกแต่ทําไมเราทุกก็เพราะเรายังไปยึดไปอยากเรายังไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้าใจเรื่องไตรลักเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาติก็เลยลงโทษเราให้เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ เ, กเพราะความสูญเสีย คนหนึ่งเขาก็สูญเสียเหมือนกับเราไม่ใช่ว่าเราสูญเสียคนเดียวไม่ใช่ว่าเราโชคร้ายกว่าคนอื่นคนหนึ่งก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ทุกแต่เราทุกเพราะอะไรเพราะความเป็นผู้ไม่ฉลาดนะยังไปยึดไปอยากอันนี้ก็ถือเป็นเครื่องสอนใจนะสอนใจเป็นเครื่องเตือนใจทุกอย่างแหละนะเหตุสิ่งที่ไม่ดียางเมื่อ 2- สาวันก่อนก็มีครูเข้ามา อบรมกันเพราก็บอกว่าตกงานนี่มันก็ดีเหมือนกันนะตกงานนี่มันก็ดีก็คือว่าถือโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ซะเลยทํางานกับพ่อกับแม่เวลาได้งานทํานี่มันยมันอยู่ห่างจากพ่อจากแม่ตกงานแล้วได้ใช้โอกาสไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปทํางานที่บ้านได้ใกล้ชิดพ่อได้ใกล้ชิดแม่ได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ไม่ต้องเสียใจถือว่า มันมีประโยชน์อกหักก็ดีเหมือนกันนะอกหักนะไม่ต้องมัเศร้ า, าโศกเสียใจก็ได้มาเรียนรู้จิตใจของตัวเองได้มาเรียนรู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรแล้วก็ทําให้จิตใจเข้มแข็งมากขึ้นต่อไปจะผิดหวังก็ไม่เสียใจหรือเสียใจน้อยลงเพราะว่าจิตใจเข้มแข็งนะเมื่อคนที่ ทำงานลำบากมากๆเข้ามันเข้มแข็งเองเจองานที่ลำบากก็ไม่กลัวไม่ถอยเพราะคุณอกับอุปสรรคมองคนก็บอกว่าบ้านเล็กนะบ้านเล็กก็ก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ต้องมีภาระมากดูแลไม่ต้องห่วงไม่มีโจรมาป้นคนที่มีบ้านยายายใหญ่ๆนั่นแหะที่ต้องห่วงต้องเป็นภาระเนื้อรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ของทุกอย่างนี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้น มันมีแง่ดีทั้งนั้นแง่ดีทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมะในทางธรรมะนี่คือสอนใจเราได้ทุกเรื่องฝึกใจเราได้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าก็สอนพระภิกษุเหมือนกันนะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะต้องมองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นบินทะบาลหาอาหารไม่ได้ไม่มีข้าตกถึงท้อ ง, งเลยสักเม็ด ก็ให้ก็ให้มองว่าดีเหมือนกันนะร่างกายจะได้เบาสบายปฏิบัติธรรมได้สะดวกมีอาหารกินก็ดีเหมือนกันนะก็มีกำลังเอาไวบ้บาเพ็ญสำนักกิจได้จะร้อนจะหนาวมองให้เป็นว่าดีทั้งนั้นมองให้เป็นว่าเออมันดีมันเ อ, อื้อต่อการปฏิบัติธรรมร้อนก็ดีนอนไม่สะดวกก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรม หนาวก็ดีเหมือนกันคือนอนไปก็หนาวเปล่าปล่าลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจะได้หายหนาวอย่าวหลวงพ่อคําเขียนท่วงหน้าหนาว น, นี่สมัยเทตมามาอยู่ใหม่ใหมก็อยู่มาหลายปีอ่ะหน้าหนาว น, นี่ตอนเช้าจะไปหยิบจอบหยิบเสียมมามาทำอะไรมาขุดดินหนาวหนานี่ขุดดินนี่โอ้ดีนักหลวงพ่อบอกเรียกว่าใช้ความหนาวเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมได้ดีเงื้อไม่ค่อยออกเลย ท่านทำอยู่นานหลายปีทีเดียวช่วงหนาหนาเนี่ยเราต้องห่มจีวรหนาหนาท่านมีแต่อังสะแล้วก็ปุดดินนะหรืออย่างที่พระเจ้าได้คุยกับพระปุณณนะพระปุณณะจะไปเมืองสุนาปันตะพระเจ้าก็เตือนว่าคนที่นั่นใจคอโหดร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านจะทําอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าดีกว่าเขา มาทุบตีคือท่านมองนะมองว่ามันมีข้อดีอยู่เขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีจะว่ายังไงเขาทุบตีก็ดีเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วเขาาก็อนหินมาคว้างล่ะทำยังไงจะว่าอย่างไรเขาเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วเ็เอาไม้มาฟาดล่ะจะว่ายังไงเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาบีดมาแทง พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วเขาเอามีดมาแทงจะว่าอย่างไรเอามีดมาแทงก็ดิกว่าเขาค่าให้ตายอีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามคำถามสุดท้ายว่าถ้าเขาเอามีดมาฆ่าให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณนาก็ตอบว่าคนบางคนอยากตายนี่ต้องไปหาหมีดมาทำร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาทำร้ายมาฆ่าแต่นี่ครับพระองค์นี่ไม่ต้องทําเลยมีคนมาทาให้เรียบร้อยน่ะ พุทจ้าก็เลยสรรเสริญก็นุ ญ, ญาตให้พระปุณณะไปเมืองสุนับปันตะได้บอกก็ว่าเรียบร้อยนะสามารถที่จะแสดงทําให้ชาสุนับปันตะอยู่ในศีลในธรรมได้นะที่นี่เรียกว่าคือไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นอย่างน้อยมันก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้นนะของหายมองสักหน่อยนะว่าเออมันดีที่ หายแค่ร้อยบาทไม่หายแค่พันบาทไฟไหม้ก็มองว่าดีนะที่เรายัางรอดชีวิตมาได้ดีนะที่ลูกเราหลานเรารอดมาได้ไม่ตายไปกับกองไฟนะมองอย่างนี้ซะบ้างนะจะได้เป็นประโยชน์อันนี้เราเป็นผู้ฉลาดผู้ฉลาดในการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆหรือเห็นประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเห็นข้อดีของมันนะ ไม่ใช่เอาใจไปจดจ่อแต่ให้ความสูญเสียความทุกข์นะมองให้เห็นข้อดีที่มันมีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ดีที่มันไม่เสียมากไปกว่า น, นี้อันนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ในทางโลกดีที่ไม่เสียมากกว่า น, นี้หรือว่าดีที่ไม่ต้องมีภาระของหายไปก็ดีมันก็ไม่ต้องมีภาระอย่างบางคนนี่ ไฟไหม้บ้านก็มองว่าเออดีข้าวของที่มันมีมากมายพวกนี้เป็นภาระกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปแจกจ่ายที่ไหนดีพอไฟไหม้แล้วก็ดีไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะเอาไปแจกจ่ายใครหมดภาระไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาแล้ว น, นี่เรียกว่าเป็นประโยชน์ในทางโลกคือว่ามันลดภาระลดภาระในการดูแลรักษา เป็นประยชนในทางธรรมก็คือเข้ามาสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะเรายังทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็เลยต้องทุกข์อยูนะ่ธรรมชาติเข้ามาสอนเราธรรมชาติก็ามาทดสอบเราธรรมชาติจะทดสอบอยู่ตลอดเวลาคนที่ยังยึดอยู่ก็จะต้องเจอธรรมชาติมาทดสอบอยู่ใ บ, ใ บ, ใบ่อยๆแต่คนที่รู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วนะธรรมชาติก็ ทดสอบบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อฝึกให้ฉลาดมากขึ้นอันนี้ก็ต้องฝึกด้ดูใจให้ดีนะทุกทุกครั้งเวลาทุกเมื่อเกิดความพัดพา ก, กสูญเสียอย่าไปโทษคนโน้นคนนี้มากเกินไปโทษได้บ้างนะคนมาขโมยก็โทษได้บ้างว่าพวกขโมยนี่มันไม่ดีแต่อย่าไปโทษเส้ยหมดเนื้อหมดตัวต้องดูใจของเราด้วยว่า เราประมาทหรือเปล่าเราเผลอรหรือเปล่าแล้วที่สมันั้นคือว่าเราทุกข์เพราะเราอยากใช่ไหมเรายึดใช่ไหมความทุกข์แต่ละครั้งที่ของหายของเสียไปความทุกข์แต่ละครั้งที่เกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมาความทุกข์แต่ละครั้งที่เกิดความพัดภาคสูญเสียอันนี้มันเป็นเพราะใจเรายัางมีความติดยึดอยู่ร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เฉพาะทุกข์กายยังทุกข์ใจด้วยอันนี้เพราะ ใจมันยังยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราของที่หายไปนั้นมันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราจริงหรือเปล่านะมันเป็นของเราจริงก็ต้องบังคับได้สั่งได้แต่นี่เพราะความไม่ฉลาดของเราเองเราไปยึดเอาไว้เราก็เลยเจ็บตัวเองเราก็เลยเป็นทุกข์ใจเองอันนี้แหละเข้ามาสอนเราเมื่อความเจ็บความปวดเขาก็มาสอนนะว่าเออเป็นเพราะว่าเรากินอาหารไม่ถูกต้อง ไม่รู้จักพักผ่นบ้างละหรือว่าหักโหมมากเกินไปละหรือว่าเดินผิดเดินพลาดไม่มีสติมันก็เลยล้มอ่ามาสอนละธรรมชาติมาสอนละความเจ็บป่วยมาสอนละให้มีสติความเจ็บป่วยมาสอนให้รู้จักทำชีวิตใช้ชีวิตให้มันถูกต้องคิดให้มันถูกต้องและวที่สมมคัยคือว่าสอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวาง อย่าไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราแต่ปล่อยวางแล้วมันต้องแก้ไขเหมือนกันเนะหมายถึงว่าก็ต้องคอยป้องกันนะต้องทำกิจต้องไม่ประมาทต้องรู้จักรักษาไม่ใช่ปล่อยวางแล้วไม่ต้องรักษา น, นี่ไม่ใช่นะอันนี้ก็แสดงว่าไม่ฉลาดอีกแล้วต้องฉลาดในการแก้ทุกในการแก้ปัญหาเรื่องภายนอกก็ต้องแก้แต่ที่สมคัญคือเรื่องภายในด้วย มันต้องทำทั้งสองอย่างแต่ที่แก้ได้ดีที่สุดแก้ได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องภายในคือเรื่องจิตใจของเรานี่แหละอันนี้ท้าฉลอดอย่างนี้แล้วนะก็ถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆถือว่าเป็นเคราะกรรมแต่เราจะไปมองอย่างนั้นมองว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงมองหเห็นประโยชน์มองหเห็นข้อดีของมันแล้วเราจะไม่ทูก เราจะไม่กลุ้มอกกลุ้มใจนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดคือเจอทุกข์แล้วไม่ทุกข์แถมยังได้กำไรคือได้สติได้ปัญญาต้องเป็นผู้ที่รู้จักทำกำไรให้เกิดขึ้นจากความสูญเสียพัดพาจากความเจ็บความป่วยให้ได้